มงคลชีวิตมงคลที่16การประพฤติธรรมธรรมจะริยาจะเอตามังคลมุตตมังการประพฤติ ธ, ธรรมหมายถึง ความประพฤติที่ไม่ทิ้งทรรมความประพฤติที่ไม่คล้องแวะกับบาป ท, ทั้งหลายหล<ะ>ัก <ละ S 2> ธรรมที่ควรประพฤติ 1. นึรงขั้นพื้นฐานได้แก่สังหาวัตถุสีคือให้ปันแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือความรู้ใช้วาจาสุภาพไพเราะมีประโยชน์ ทำเพนสาธารณะประโยชน์ต่างๆและการสแสวงหาทรัพย์ด้วยสุจริตเก็บรักษาทรัพย์คบมิตร ด, ดีและเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ทรัพย์เป็นต้น 2. Mm hmm. ทำขั้นกลางได้แก่การรักษาศีล5ศีล8อุโบสถศีลและกุศลกรรมรบททั้งหลาย อันเป็นไปเพื่อฝึกหัดกายวาจาให้อยู่ในสุจริต 3. ามทำขั้นสูงได้แก่การเจริญสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาซึ่งควรประพฤติปฏิบัติตามสมควรหรือหากมีฉันทะและศรัท ธ, ธามัน่นก็ควรเจริญเป็นนิรทมที่ไม่พึงประพฤต 1>, 1. การเกลือกกลั้วในอวาัยามุกต่างๆ 2>, 2. การสแสวงหาเนื้อนาบุญนอกหลักคำสอน 3. อาอกุศลกรรมทั้งหลายเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้น 4. เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อกรรมเชื่อชคอกลาง 5. การทำอาถรรพ์ไสยศาสตร์ หรือการดูเลิกยามเป็นต้นการประพฤติธรรมจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ตนเองก็เป็นสุขผู้อื่นก็เป็นสุข 2. เป็นผู้พ้นกิเลสและทุกข์ 3. จัดเป็นผู้บริสุทธิ์จากบาป ท, ทั้งหลาย 4. เจริญด้วยบุญเป็นอันมาก จักเจเริญด้วยพ่อคทรัพย์สวรรค์สมบัติและนิตพานสมบัติ